จะพาตัวแหวิช อ, ออกไปหน้าค่ายและอย่าให้ไฟเกาะอย่าให้ถืออาวุธเด็กันทั้งสนข้างละมีฮองตงประโหวนบอกไปอย่างนี้ทหารของแฮวิเอญเกาะอาราฮองตงกลับไปแกงความทั้งขึ้น ท, ทั้งเปลี่ยเนี่ยแต่แหวิเอญไม่ได้สบับแหวิเอญไม่ได้รบับาะนั้นก็มีความยินดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเฉลยกลับ มีการแลกเปลี่ยนเฉลยกันหรือครับแต่ความสาคัญที่มีนอยู่กระจายมันผ่านมาหลายตอน น, นะวะเวยนหล่อหมอวิเศษที่ได้ทำนายไว้เนี่ยพวกโจโฉจะเสียขุนพลคนสาคัญจะเป็นใคยยรกันลอยกันยังไม่ประจักษ์เพราะที่เสียมาแล้วก็ต่างต่ายกาเป็นเพียงแค่ทาหารเล็กทาหารน้อยท่านั้นอ่ะเอ้ย่างไรก็ตามบัดนี้จะมีการแลกเปลี่ยนเฉลยกันละ เช้าเนี่ยแฮร์เอร์ก็พาตัวตังเซ็กออกมาที่ริมเชิงเขาตรงหน้าค่ายหฮองตองฮองตองก็พาตัวแฮร์รเซนออกมาหน้าคายให้ขึ้นมาตื่ไว้ทั้งสองข้างหละทั้งสฝ่ายอ่ะที่การแลกเปลี่ยนทะเลกันนี่มันก็กลัวมีการเสียเปรียบแบบเปรียบแบบตัวฝ่ายเป็นไปแล้วจะไม่คืนตัวฝ่ายเข้าหนึ่งก็ต้องระวังระแวงระวระวยกันอยู่ละ เอาเด็ยียพร้อมแล้วก็ตีกรองสัญญามันไซ ก, ก็กลวบมากลับมาหาฮองตงแฮหัวอรงก็กลวบมาไปหาแฮหัวเอียนทีนี้เรามาดูความใบเปรียยเสียเปรียกัน เ, เอารัดเอาเปรีย ก, กันในเชิงสุดเชิงสงคราม น, นี่ขณะเมื่อแฮหวัวอรงผู้เป็นชเชลยของฮองตงที่ฮองตงปล่อยตัวออกมาได้เนี่ยแฮหัวอรงกาลังลวบมา มหาแห่หัวเียนเนี่ยหองตงพูดเท่าทนภาวังมีพีิมีเก่าพันเป็นที่ยิ่งโดยหองตงคนนี้เคยต่อสู้กับเอวนอูบ ร, ริษัทกาศกังตระเวนฝีมือทัดเทียนกันแต่พีิมีเก่าคันของหองตงเนี่ยสำคัญนะเอวนอูอออต้องรักในน้ําใจของหองตงเลยทีเดียวบัดนี้ล่ะหองตงเนี่ยก็เอาเกาพันมาขึ้นสายเรียบร้อยเอารูปภาพ เตรียมไว้เตรียมเข้าไว้แล้วขันแฮว์เวิร์แฮว์เวิร์ดผู้ซึ่งไม่ได้ใส่เกราะไม่ได้ถืออาวุธด้วยอยู่บนหลังมา้าขวบมากลับไปหาแฮว์เวรเอียนไปถึงประตูค่ายแฮว์เวิร์ดียนฮองโปงก็ยิงเก่าทันไปถูกแฮว์เวิร์ดสง่งตกมาถึงแต่ความตายเลยขั้นแฮว์เวเอียนเห็นอย่าันก็เกรดดิ แม่นอนฮะแลกเปลี่ยนทะเกันแล้วเนี่ยฮองตงกับทำแค่ น, นี้แฮวิเอ๋ก็ขวบมาตอนนีเขามารบกับฮองตยทีเดียวซื้อรถกันได้ยี่สิเลยข้างทหารที่ในค่ายก็ตีมาร่อเลียแฮวิเอ๋นตามสัญญาคือก็เกยเหมือนกันแหวิเอ๋นก็ถอยกลับมาเข้าค่ายฮองตงนั้นไล่ฆ่าฟันทหารแฮวิเอ๋น็นตายเป็นอันมากทีเดียว แฮอว์เยีนบอกกลับมาถึงในค่ายก็ถามทหารในค่ายทีเดีย ว, ว่าท่านตีมาล่อเรียกเรากลับมานี่ด้ยวยเหตุใดทหารก็บอกว่าเมื่อท่านรบกับพฮองตงหรือนั้นนะ่ะท่านกับฮองตรงรบกันนะข้าพเจ้าเห็นทหารมาตั้งดินไม้หุบเขาเป็นอันมากและเห็นปักธนเป็นขบวนทัพใหญ่ข้าพเจ้าแครงใจว่าข้าฝึกจะทําคนอุบายเอาทหารมาซุ่มไว้ กินตีมาล้อร้องเรียกทัานี่ไงแผนของฮกหลงมาะสีให้ฮองตรมาแล้วบอกยังสนใีเรื่องมาขอให้ความช่วยเรลือด้วยนั่นกองหนึ่งละแล้วก็ยังมียังมีอาหรู่วิ่งเขง้าปีคือเหล่าฮองเบ่งตักนี่มีหกอง น, นี้ให้มัดสุ่นอยู่ในป่าให้ปัดทงโหวร้องในจงหนนี่ นีกอนี้เกิดผลขึ้นตรงนี้แฮร์ริเอรเอีนกำลังรบ ก, กับฮองตงได้ยินเสียงม้าล่อเรียให้กลับออกมาสอบถามเจ้านี้แฮว์รเอรนเพราะได้ฟังความดังนั้นเนี่ยก็สร้ให้ฐานรักษาค่ายมั่นคงวัดมิได้ยกออกไปชูวยรบ ก, กับฮองตงล่ะแฮร์ริเอรเอีนก็ต้องระวังระวัยเหมือนกันเดี๋นี้แน่ว่าเป็นเจ้าชะมัดฮองตงได้ไง่ายอ่ะ และความพ่ายแพ้อาจจะเป็นของตัวก็ได้ถ้าผรีพ ร, รามเกินไปเด่ยหนังสือจะมาปิดสองของพระเจ้าวีอ๋องคือเกย์แมงเตโชก็มีกำกับกำชับกำชามาแล้วด้วยเนี่ยแต่ฤือี๋นสงบเลยข้าฝ่ายองเต็นนั้นองเตงนี่จะต้องเอ า, าชนะให้ได้ที่ถูกสบปรห ม, มาทมาว่าเป็นทหารเท่าเนี่ยพหารแกเนี่ยมัโกรธยิไม่เลิรอจะหาย วนเต็มนั้ น, นก็ปิดฝากระบอกจริง่ะเราทําการศึกครั้งนี้ก็เสียเปลียนแฮร์เอเอียนนะเพราะแฮร์เวเอียนน่ะตั้งอยู่ในหุบเขาพอเราเห็นได้ทีจินยกออกมารบกับเราไทยเมื่อเสียทีก็หนีเข้าขา่ายเมื่อเป็นชนนี้เราจะคิดอ่านทําประการใด้จินจะจับตัวแฮร์เวเอียนได้กบอกจริง ฐานะที่ปรึกษาคนสำคัญในกองทัพของหวงตงเนี่ยเขาจึงว่าแม้เราเบกเขาไทยสันข้างทิศตะวันตกแล้วเขาเป็นกุญสันนี่ก็ไม่พ้น ม, มือมือเราเพราะว่าเขาไทยสันนี่ยสูงเป็นชทยาภูมิที่สําคัญชอบอนอยู่เหมือนเราขึ้นไปตั้งเป็นเขาไทยสันได้แล้วแผลหรืเอเ้็นจะตั้งกระบนินฝึรกระบวนการประการใดอย่างไรเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งสิ้ และเราจะคิดทำการเมื่อใดก็จะได้โดยสดุนีหัวเจ้งแนะนำให้ชนิดคือให้ไปยึดแนวเขาไทยสังไว้เป็นเพียงสำคัญทั้งเป็นเรื่อบัญชาการรถนั่นแหละห้องเต็ได้ฟังฉะนั้นก็เห็นด้วยคัาเวราสังยามก็กระเกดนทาหารไปแล้วก็ยกขึ้นไปยังเนินกลางเขาไทยสัง เวลาสงยามคืนนั้นพองตงก็กักเกณฑทหารพร้อมแล้วก็ยกขึ้นไปถึงเนินกลางเขาไทฝันโตสิสซึ่งแฮรุเอีนให้คุ้มฐานร้อยหนึ่งรักษาที่เนี่ยเห็นฮองตงยกฐานมาเป็นอันมากไ ม, ไม่ต้องเข้าประพาต่อสู้แล้วฮองตงขึ้นมาทวีเตสิส ก, ก็พาฐานโยนทางด้านหลังเขา หนีไปหาแฮห่ห้ยเอียนเป็นอย่างวองตงขึ้นไปยึดเนินเขาไทฝัน ไ, ได้สาเร็จระหัวเก่งกว่าแต่ฮองตนว่าครั้งนี้เราได้ทีอยู่แล้วให้ท่าตั้งมั่นอยู่ณนะที่เนินเขาแห่งนี้เถิดข้าพเจ้จะคุมทหารขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแม้แหเหยเอียนจะยกมาว่ากล่าวท้าทายประกาศใบก็ดีให้ดูที่สําคัญของ ข, องข้าพเจ้าก่อ กวดเจงว่าอย่างนี้ถ้าเห็นขบัตเจ้าถือพงขาวอยู่อย่าเพิ่งยกออกรบกับแห่หัวเอียนถ้าเห็นขบัตเจ้ายกธนแดงขึ้นแล้วให้ยกฐานออกรบเถอะแห่หัวเอยนจะเสียทีกเราเป็นมั่นคงขวดเจงกล่าวดังนี้เครื่อในเมื่อขึ้นไปอยู่บนที่สูงเนี่ยเขาเห็นขาดสุดแปลพักแปลกระบวนจะทําอย่างไรจากกองขบารบอย่างไรจะมีกองตีกระทบ้ายขวาหน้าหลังอย่างไรนี่ก็จะรู้นี่ ตอกรบวบเราจะชนาหรืจะแพ้กับศัตรูอย่างไรเนี่ยก็จะมองเห็นได้จับแจ้งนะฮองตงก็เห็นชอบด้วยยินดีที่จะกระทําตามที่หัวเจ้งวาดราวิทุก ป, ประการครขั้นฝ่ายแห่หวเอียนแห่หวเอียนขุนพลรุ่มแส่รุมสกุลเก่าดั้งเดิมของ โยมิ่งเปโฉคือพระเจนี้องังแหวิเอียนเนี่ยเมื่อโตสิทธิ์หนีลงมาเอาความมาแจ้งให้ทราบเนี่ยว่าฮองโตงขึ้นไปยึดไปชิงเขาไทยสันได้แล้วเนี่ยแหวุเอียนที่เมื่อความว่าฮองโตงไปชิงเขาไทยสันได้แล้วก็โปรธทีเดียวก็จึงวาเราจะนิ่งอยู่ชนินี้ชอบจําจะต้องยกไปรบเพื่อชิงเขาไทยสันกลับคืนมาให้ได้จิงจะควร เขาเตียวครับอีกแล้วเปียวครับซึ่งกลายเป็นผู้ที่ไม่เหลือความเชื่อถือได้ใครโดยเตียวครับก็เข้าไปพูดดีก ว, ว่าว่าที่ห้องตงทําการไปเนียยเป็นกนอุบายของหัวเก่งขอที่จนงตั้งมั่นไว้ก่อนขอฟังกําลังข่าเศึกดูก่อนว่าข้าเส ร, ร็จะทำ ก, การบายฉังบายจินจัควรแห่หัวเอียนั้นก็จุงแบบท่านจะกล่าวไปเลย ราไม่ังแล้วแฮรุ hmm. อเอียนไม่ฟังยกฐานออกจากาไข่เป็นรอมเขาไทยฝันด้วยสี่ด้านเลยทีเดียวแฮรุอเอียนรอนเขาไทยฝันด้ว ย, ลยแล้วให้ถานร้องว่ากล่าวหยาบช้าท้า ท, า, ท, า, ทายมาขอเต็มให้เรามารบกันของเต็มโปรธองเต็มนิกก์เหยาะโพฟายู่เหมือนกันก็จะยกฐานออกไปรบกับแฮรุอเอียนคือจะลงไปรบด้วยลนะ่ะแต่ ทหารผิดสัญญาแล้วกับวัวเจีงแล้วจะคอยดูสัญญาณก่อนดูสําคัญก่อนแลเห็นหัวเจียงอยู่เบื้องสูงนิ่ยังถือพงขาวโรยอยู่ห้องตรงก็กินยังไม่ทาอะไรคันเวลาบ่ายเปล่าทหารขอนแก้วเย็นเนี่ยก็ออกมาท้าทายท้ารบอยู่น่ะจงกระทั่งบ่ายเนี่ยหววเจีงอยู่ยนยยยนาบนที่สูง น, นี่ แลเห็นทันงแถวหวเอียนนี่โ ต, โติดเรือไปตามปามกันแล้วก็ยกธงแดงขึ้นโบกให้เห็นเป็นสำคัญทีเดียวห้องตงเห็นหัวเก่งโบกธงแดงให้นัดสัญญาเป็นสำคัญแล้วกองทัพของปองก็เตรียมพร้อมอยู่ทุกขนาเหมือนกันที่จะเข้าห้มามทั้งแถเหวเอียนให้ได้เนี่ยโปมดแค่นักบา่าตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วเนี่ยแบบนี้เมื่อใดนักสัญญาณเป็นสำคัญห้องตงก็หทาหาร โร้อนตีมาล่อกลองกรสน้ำวายยกลงจากเนินเขาลงมาทีเดียวก็วเห็นแฮหัว เ, อ, เอียนหยุดพักลงนั่งอยู่คือไม่ได้อยู่บนหลงมานั่งอยู่หยุดพักหาดูมีคริฟต์ปลาลถืออยู่ไหมฮองตงก็พวกมาแต่รีบปาดเข้าไปยังยเรียบเรียเข้าไปใกล้ก็ล้องกระหวาดได้เสียงอันดังแฮหัวเอี่ยนตกใจไม่ทันจับอาวุธเลย ฮองตงเข้าไปถึงก็ออาดาบฟันถูแแหวเอียนสิษะขาดกระดึงออกจากรําตัวถึงแกิดความตายทันทีเลยทีเดียวมันก็แน่นอนแศีวสะขาดแล้วไม่ตายทันทีก็วีเฟสุดตายทันทีนี่ที่ไม่มีโอกาสได้ปร ะ, ะภัพฝีมือกันเลยแต่ว่ากันไปก็ไม่รู้วิ่งกันว่าแฮหวเอียนฝีมือเหนือกว่าฮองตรง หรือองตที่มีเหนือนกว่าแฮเอรเอียนแต่เลยก็ตามแฮรเอรเอียนเสียหัวของตัวให้แกฮองตงแล้วทหารพันป่วนเห็นแค่เหมืนก็แตกกระจัดกระจา ย, ยและเดือดว่ากองหนังของนองตงก็ไปตรลีเข้ามายวยอราชาทหางแฮรเอรเอียนนี่ไม่ได็ดแั่เป็นทัพเป็นกองเลยอะ่ะก็กระจัดกระจายพ่ายแพ้ยับเยนินฮองตงก็รีบยกทหารพุ่งไปตีตำบนเขาเต็งกุนสันต่อไป ข้างฝ่ายเตียวครับเตียวครับผู้มีฝีมือนะแต่ว่าพ่ายแพ้เข้ามาหลายครั้งนจนกลายเป็นผู้ที่หาความเชื่อถือใดๆไม่ได้โจห้องก็ไม่เชื่อแฮวิเอียนก็ไม่ฟังแต่แฮวเเอียนตายแล้วละ่ะพินี้ข้างเตียวครับเนี่ยเยหงนตรงานำกำลังมาโจมตีทัพแฮวิเอียนแต่พ่ายแล้วเลยยกทหารมาอย่างนี้เตียวครับก็ยกฐานออกจากค่ายคอนโดนกับ ฟันเกกขับทหารก็รบพุ่งกรพานกองเตียวขับเป็นสามารถข้าฟันฐานเตียวขับเลี้ยปลายเป็นอันมาศีเดียวเตียวขับก็เห็น่าจะช่้ฮองเตงนีได้ก็จต้องทิ้ง่ายเขาเตงกุสังเวบม้าพาทหารหนีไปเมืองลงอพอดีจูล่ล่องซึ่งของเด่งให้มาตั้งซุ่มอยู่นและแต่ตามคาสั่งขอ ง, ของเบ่งว่าพาฮองตงที่ความเสียใจู่ื่องช่ว แต่บัดนี้องคตรงก็เลยเพงพรำองค์ตรงเลยใช่ไหนะแต่จูเล่ยเห็นว่าทหารเตียวครับหนีตะลุยมาทนันี้จูรเรล่ย์ก็ยกฐานส ก, กัดออกมาจัดฟอกเขาแล้วก็ร้องประวาดว่าเราชื่อจูเลชื่อจูเล่ย์ถูประกาศก้องดัง น, นั้นเตียวครับได้ยืนอย่า ง, งนันพันหนะตกใจ ย, ยิ่งนักชักมากวกกลับพาฐานหนีรัดทานเข้าไปในป่าเลย คือจะไปลํำเต็งนิดไปไม่ได้ในที่สุดมึงไม่ฟูมก็เป็นหนีจเรุ่มมันเดินฐานเตียวครับหนีไปไกลแล้วจเรุ่งก็ยกทาหารกลับเมืองเสฉวนในขณะเมื่อเตียวครับนำฐานออกจากค่ายเขาเป็นกุสันมารบกับฮองเป็งอยู่นั่นอะ ขณะเดียวขับห้องตรงรถไอยู่นอกค่ายนะ่ะเหล่าห้องเด่งตาขึ้นตั้งอยู่ในซอกเขามีกัจา์ผมเบ่งสังให้ไม้สองกองเนี่ยก็ยกฐานก็โาเมปีค่ายเป็นกุสังโตสิทธิ์ทหารของแห่หุ่ยเอียนขึ้นอยู่รักษาค่ายเป็นกุสังนะ่ะก็ต้านพานไว้ไม่ได้โตสิทธ์ก็พาฐานหนีรัดป่าเข้าไปเหมือนกัน ก็ดีเตียวครับหนีตะเลิศมาจากจีรุ่งก็มาพบเป็นกับโตศิษฐ์เขา้าเอาก็ะเปาเรื้อความสื่อเสียข่ายเป็นกุญสันแต่เหล่าฮองเบ่งฟัดให้กับเปียวคับฟังคือเปียวคับออกมาลบโตสิษู์รักษาข่ายเมื่อเตียวคับแพ้ของตรงตะเลิศไปแล้วอ า, าหารของตรงตะอาหารเหล่าฮองเบ่งตัดก็เข้าตีข่ายเนี่ยเอาและในที่สุดคนทั้สองหนีมาเจอกัน โตสิทิก็เราความไม่เกียวครับฟังเสียค่ายแล้วเดียวครับก็พาโตสิิหนีหนีกระโบรยไปจนถึงทุ่งฮันสุยคอยตั้งค่ายพักทหารอยู่แล้วข้ายทหารเอาเมื่อความเป้นตัวเนี่ยไปกราบทูนแก่เพื่อเจ้าวีอ๋องซึ่งตอนนี้ได้ประทับยับยั้งตั้งกองทัพอยู่นเมืองลำเติงให้สาบ ความเมความทั้งสิ้นมีก็คือความพ่ายแพ้เสียข่ายเสียตำบลเมืองตาและโดยเฉพาะเสียแขนโจโฉคือแฮหัวเอียนจบสิ้นชีวิตเดินไปรายงานทั้งสิ้นนั้นเมื่อถึงโจโฉโจโฉได้ฟังรายงานทั้งนั้นแล้วก็ร้องไห้รักแฮ่หัวเอียนเป็นอันมากทีเดียวเพราะดังกล่าแล้ว ตั้งแต่โจโฉหนีถังตกออกจากเมืองไปตั้งตัวในตัวคนเดียวชัดธงขาวเขียนนักสอนประกาศหาผู้ร่วมคิดเรื่องใจร่วมการกันก็มีแหวตด้นแหวเดียนสองคนนี่แหละเป็นกำลังสำคัญนำไพร่พรมเป็นจนวนหมืนหน่นมาสมทบกับโจโฉทำไมโจโฉมีกำลังเป็นครั้งแรกขึ้นก็ได้บุคคลทั้งสองนี้ และที่สำคัญอย่างยิ่งอยู่แต่ก่อนนี้นแฝดดั่งเดินของโจโฉแต่ครั้งตื่ของปู่เนี่ยคือแฟ่แห่หัวนี่มีความเป็นญาติเทื้อพี่น้องผูกพันกันห้ายประการชนิดโจโฉนี่เสียใจร้องไห้รํารักอะไรแห้วิเวียนเป็นอันมากทีเดียวและก็ต้องคิดแค้นฮองตงยิ่งนะักเพราะฮองตงเป็นผู้เด็กหัวแห้วิวเวียนได้ไหม โจโฉก็สั่งจัดแจงทัพโดยทีเดียให้ขุนทหารคนสําคัญเป็นกองทัพมากคือซีหลงซีหลงเป็นทัพหนักตัวโจโฉเป็นทัพเหลวขุนทหารสิบสี่หมืนยกไปยังพุ่งฮันซียคือต้องไปพบกับเตียวคับก่อนเมื่อยกไปถึงพุ่งฮันซียนั้นเตียวคับกับโตโตฟิตรู้ว่าพระเจ้าวิอองเสด็จมาก็ยกออกมารับ แล้วก็ทูนว่าหองตรงยกมาครั้งนี้นั้นมีเหวีจริงคิดกนอุบายร่อลวงต่างๆเข้าไปเจ้าได้ห้ามปรามทวนติงแห่หัวเอียงแล้วเป็นหลายครั้งว่าให้ยับยังฟังดูเพื่อนทีกอบแห่หัวเอี e ่ยงก็มิฟังคืนยกเอาไปรบพุ่งเด็กกำลังโวหารจึงเสียการพันนแระบัดนี้ นัตบุญเขาบิดฟองสันก็ยังพอมีสเสบีอาหารอยู่เป็นอันมากขอให้ท่านไปย้ายสเสบียงมาไว้ก่อนแล้วจึงยกฐานไปรบกับ้องเติงเถิเดเตียวครับพูกมาในระยะหลังเนี่ยผูกจ่ไม่มีใครเชื่อเลยแต่โจโฉเนี่ยเชื่อเตียวครับพูกจ่าชี้แจงบอกเอะเพิ่งทำปวงแล้วนี่เจ้าเคยได้ฟังเตียวครับว่าจะ่นี้ก็เห็นด้วย เพราะว่าเจ้าขับอีโกมาอยู่กับเจ้าโฉนน์มาและเจ้าโฉน์มีความสามารถของเจ้าขับอยู่ก็พอเชื่อถือในสติปัญญาท่านโกนได้ก็จึงให้เจ้าขับอี่แหละเป็นผู้คุมทหารไปขนเบียงนะ่ะขาวบีซองสันเอามาไว้ในค่ายยังตะบนเขา เบงชายชนะแล้วเลาเห็นว่าเหล่าฮองกับเบงปัดก็เข้าไปตั้งอยู่นักข่ายเขาเป็นกุญสันแล้วก็ดีแล้วรักษาข่ายนั้นได้ดีแล้วยึดข่ายนั้นได้แล้วก็ดีแล้วเป็นความชอบแล้วฮองตรงนั้นก็ไอาทิศแห่หวเขียนมาพร้อมกับพาเหวี่ยงเดือดยกอหารทั้งตวงกลับไปหาหลอบปีนะด่านแห่เบงขวน หพ่อองตงไปถึงนหาปีเห็นฮองงได้ใครชนะมานี้ก็มีความยินดีก็ต่ไงฮองโตงเนี่ยเป็นที่เจนไลไต้เจมปินนี่ตำแหน่งใหญ่เลยพอแปลเอาความ้วยวะเป็นนายทหารกราบปรคตูฝ่ายตะวันตกทั้งที่อยู่ในวัยเจเกสิเนแล้วอายุฮองโตงอี0เจสิเนแล้ว ตอแค่บำเรน็จรางวัลตามสมควรก็พอดีขณะนั้นเปียวคีเข้ามาเอาเมียความามแย่งะร่รอกตอว่าโจโฉให้เปียวครับไปขนเบียงณเนะขาบีสองสันเพื่อเอาไปไว้ในค่ายณทุนะ่งฮันสุยเป็นอันมะแบบนี้โจโฉ ย, ยกพับมาประมาณสิบสีมืนเศษมายังเขาเต็งกุลสัน เพื่อจะแก้แค้นองตกนมีรายงานของเตียวีฉบับมีสำคัญทีเดียวผมเป็นได้ฟันดังนั้นผมเป็นก็ตื่ว่าอันโจโฉยกกองทัพมาครั้งนี้ใหญ่หลวงนะแม้ฐานที่ได้แข็มแข็งสามารถลอกยกทหารไปเผาทำลายสเสบียงทหารโจโฉนะ่ายขฮันซุยได้แหละ โจโฉก็จะเสียทีแก่เราเป็นมั่นคงคนมบ่วางแผนอย่างนี้นี่ไฉบข่าสุดยกทับมาแล้ว เ, เราก็เกมทัพออกไปรบกับข่าสุดกลับหาได้ทางเช่นนั้นใหม่กลับมองไปที่สําคัญที่ได้รับรายงานว่าสบียงถูกขนจากเขาบีสองสังไปไว้ยังค่ายฮันฟีขนเบ่งก็กะทํำลายสเสบียงที่ค่ายฮันฟีโดยกล่าวเป็นเช่นนี้แม้ทหารที่ดเข้มแข็งรอด ยกทาหารไปเผาสาบียนอาหารโจโฉน่าไข่ฮันซวเสียได้โจโฉก็จะเสียทีแกเราเป็นนั่งคงนี่คนเบกผู้ขิดบบนี้ก็ห้องตนนี่แหละห้องตงนี่ก็กาลังเรียกว่าเมาเงินในชายชนะของตงนอยู่ก็ทาการสาเด็ดสาเด็ดสำเด็จเป็นผลดีมหาศาลมาทุกประการมาเลยเนี่ยห้องตงนี่ก็ทีรับกันไ ด, ด้ยวว่ง แต่เพียงนี้ก็อย่าต้องให้ถึงท่านผู้ใหญ่เลยข้าบิดเจ้าทหารแก่จะขออาสาไปเองของตงนนี้ก็เรียกว่ายัางยันเจ็บใจน้อยใจแข็ใจกับคําาทหารแก่อยู่ใช้คํานี้ประชดประทันออกมาอย่างนี้ข้าบิดเจ้าทหารแกจะขออาสาไปเองคนเบ่งก็จกินทูขึ้นมา ท่าย่าเพิ่ดูหมิ่นศตรูไปก่อนอันโจโฉนั้นมีสติปัญญาลึึ้นอยู่โจโฉาิงแหวเอียนหมหคนเ่งผูดดังนี้หนห้องโตอย่าพิ่งป็นเพื่อเสพนั่นใจจนเกินไปนะโจโฉไม่ใช่แหวเอียนรอบตีได้การนั้นก็จริงละแหวเอียนนะ่ะมีกำลังกล้าแข็งกจริง ก็ ก, กล้าแข่แต่กำลับบงฝีมือเท่านั้นแต่ว่าความคิดน้อยกว่าเตียวคับวิ่ง น, นะถึงจะฆ่าคนยันแถวเวียไม่สักสิบคนก็ยังหาเท่าเตียวคับคนหนึ่งห น, นักคนนึงพูดดังนี้อา้าวปีที่้ใหญ่นี้อีกคนไม่ยอยากจะมาทไปแต่รอบปีนี่เปรียบเทียบเดชตัดหัวห้วเวีาายได้สิบคนนี้ไม่เท่าเตียวคับคนเดียว ห้เต็มนตอนนก็คิดมุกมานักในเใจขึ้นมาอย่างหนั ก, กทีเดียวก็จิ้มพูดขึ้่าอย่าวิตกเลยข้าจาจะไปทาการเองในครั้งนี้จะต้องตัดสีทธิเปียวขับมาให้ทห่านได้เต็มได้คนดิ่งก็กินว่าแกห้องเตง็มหลักท่าจะตายก็ตามเถิดแต่เราแค่จิเ ร, เรื่องไปด้วยแม้ทาการขัดสนสิ่งบายก็ปรึกษาหารือ ก, กับ เราจะดูความคิดและฝีมือด้วยว่าเด็กกลับมาผู้ใดจะมีความชอบขอบุนเด้งปราณิฮองตงกับจุรุง่งกุจจักรแกงทหารยกปักนั่นกล่าวแล้วนะครับว่าคุนเบ้งเนี่ยต้องผู้แบบนักถือใน มันใระจายความสามารถและพลังงานของจีเร็งยิ่งนะส ก, กานะใบสําคัญแล้วละกรอบของเบ่งจะต้องใช้จีเร็งไปด้วยและในแต่ครั้งนี้ของเต็มอาสาไปด้วยความฮึกเหมิมในน้ำใจใชนชายชนะที่ได้มาตลอดเนี่ยขเบ่งก็วันเกรนอยู่เหมือนกันพวกความประมาทที่เกิดขึ้นใเวิจัยของหองตรงแล้วเนี่ยมันจะนําหองตรงไปสู่ความป ได้เดยไม่ยากเยน็นผมได้จริงแค่ให้ตีงูกกำกับไปด้วยนี่แต่ก็ยังยังมีมอยู่อีกนิ ด, น ด, นดเพื่อการนสนิทผลด้ดีที่งให้เผื่อจะดูความคิดจะดูฝีมีอผู้ใดญกลับมาจะมีความชอบระรับห้องตัวตีลูกไปแล้วผมเองก็ตีให้ตีลคีคุณฐานเป็นกองหนุนรกตามไปด้วยนี่การทุกครั้งนี้จะต้องรอบขอบรับดกุยยิ่งนะัก ไม่ได้ไว้วางใจแต่ใครผู้ใดผู้เดียวเท่านั้นละ่ะฮงเป็งกีเร่งปลายกองเหนื อ, อเปียวคีนเหมื อ, ไอนไปกองอีกขนไปใกล้จะถึงพุ่งฮันฟุยฮองตงกับกีเร่งเนี่ยต่างคนต่างก็คนบาสตั้งข่ายอยู่นี่ที่นี่ตอนนี้เขามีระบุไว้ทับแจ้งฉนี้เลยนะครับกีเร่งคิดจะใข้เอาความชอบแต่ผู้เดียวนี่เป็นลักษณะ ในน้ำใจของทหารโดยทั่วไปนีนก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ละนี่เนื่อประการนั้นฝรั่งก็พี่ฮองตงกระทำการได้ผลดีมีชัยชนะเป็นความดีความชอบไวค้ความไวค้คาจนได้รับการแต่งตั้งเป็นเช่นไรใต่เตจนขุนมาแล้วนี่บัดนีจ้จเร珑ก็ไข่แต่ความเชอะแบบผู้เดียวเท่าแต่ฮองตงทีเดียวว่าจีร珑ผู้ขี้หลับจีรโชยยกกองทัพมาตั้งอยู่ครั้งนี้ นะและก็มีทหารถึง30 0 0 0 0หมื่นเซที่จะนวนทหารนี่ตามคำพูดขทงานั้นนะครับถ้าจะว่ากันให้จริงโจโฉเขจะวีอองเกณฑ์ทหารออกจากมิวหูโตโมาหนะักส่ะ4บหมื่นแล้วก็นำมาพูดจะบทขยี้ห้องตงเพื่อการแก้แค่นี้สี่หมื่นมีกลับกันอยู่แต่ตอนนี้จีนรล่พูดว่าโจเฉมีทหารมาถึง30 0 0 0 0หมื่น แล้วก็ตั้งรายกันไปถึงสิบกองการนี้นม่ใช่น้อยเหตุใบท่านจินบังอาจรับอาสา ต, ต่อมายเราว่าจะเพิ่มเอาซาบียนอาหารของโจโฉให้ได้จีร่งผูอย่างนี้หองตึงฟั ง, ฟงจเร่งกล่าวเท่านี้ก็แจงใจในความคิดของจีร่งได้เป็นอย่างดีวดเตือนใครจะความชอบแต่ผู้เดียว ของเจงก็พูดว่าท่านจะวิตกเลยท่านเด็ดต้องวิตกเอาเป็นธุระเลยเดี๋ยวเราได้รับอาสามาแล้วแต่กำลังเรานี่แหละก็รับผิดจะทำการนี้ให้สำเร็จให้เจงได้จุดเรื่องก็จริงว่าข้าพเจ้าคนหนึ่งมาด้วยจะให้ท่านคนแก่ เข้าทําการก่อนนั้นไม่ควนนี่เอาความหนุนความแก่มาอ้านกันแล้วแต่ตอนนี้คือเรื่องก็ยังหนุนอยู่จริงๆเลยคือเราพูดต่อไปว่าข้าพเจจะขออาสาเข้าทําการก่อนของตรงก็คึงพูดว่าการครั้งนี้เนี่ยเราเป็น ต, ตัวการรับอาสางานท่านมรทำซึ่งจะให้ท่านผู้มาช่วย เขาทำการก่อนนั้นไม่ชอบเกืดเพื่งนพร้มเสียทีกับ่าซื้อความผิดก็จะไม่พ้นตัวเรามีเหตุผลของการแก่้งแย่งเกิดขึ้นอย่างคือเรื่องที่พูดขึ้นที่ว่าตัวทพ่านกับข้ารเจ้าเนี่ยผงเม่งก็บังคับมาแล้วว่าจะทำการสิ่งใดก็ปรึกษากันแม้มีความผิดแล้วทั้งตัวข้าราชกาเองก็ใช่ว่าจะพ้นผิด ยังมเกี่ยน ง, งอนกันอยู่ทีนี่หาต้องการไหมเขาจะจะทฉาฉลาดเสี่ยงทายก็แล้วกันถ้าผุ้ใดได้ฉลาดสําคัญให้ผู้นัน้นยกเขาปีก่อนจุเล่ยใช้วิธีให้จับฉลาดกฮองตงก็เห็นด้วยองปรกฏจีนจุรล่ย์เขาก็ทหารเก่าอยู่กับคงไม่เหล่าปีมาแต่ก่อนตนและผู้นิ่จูเ่ย์นั้นก็ประมาทนี้ได้โดยเฉพาะสาคัญที่จุเล่ยอ้างว่าต่างคนต่างก็ ใหญ่มาด้วยกันทั้งคู่เนี่ยผิดด้วยกันผูกด้วยกันอย่างเนี้ยจับฉลากฮองตงก็จริงยื่นยอกจับฉลากกันผลของการจับฉลากปรากฏว่าฮองตงได้ฉลากสําคัญคือหมายความว่าเป็นผู้ได้ข้อติก่อนละฮองตงก็มีความยินดีขั้นจูเลง้งพูดจับฉลากได้ที่ไ ม, ม่สําคัญเป็นผู้มีวิสัย จเรื่องก็จึงพูดแก่ฮงตงว่าพุ่มเดชละสําคัญแล้วก็จึงยกเข้าปีก่อนต่อพรุ่งนี้เวลาตะวันเที่ยงแม้ไม่เห็นทุ่มกลับมาข้าพเจ้าจะยกทันหมุนตามเข้าไปจ่เรื่องกําหนดเอาเวลาพรุ่งนี้เที่ยงวันถ้าไม่กลับต้องยกลุยเข้าไปกันละ่ะฮงตงในฟังก็เห็นด้วยเอาละ่ะเห็นพร้องต้องกันจะเกระทำเช่นนี้ จู่ร่องก็กลับมาค่ายที่เด็ดแล้วก็สั่งแก่เตียวเอ็กวางฮองเติงจะเข้าเติมสเสบียงในค่ายโจโฉแม้พรุ่ง น, นี้เวลาตะวันเที่ยงแล้วฮองเติงยังไม่กลับมาเราจะยกฐานไปช่วยทันอยู่ภายหลังนี้จนระวังรักษาค่ายไว้จนมั่คนคงอย่าได้ประมาทจู่ร่องสั่งแก่เตียวเอ็กดังนี้ ข้างฝ่ายฮองตงอ่นะฮองตงนะี่ยก็เรียกเตียวคีผู้นํากํมาลังมาสมงพบเนี่ยเรียกเตียวคีเข้ามาแล้วก็สั่งเหมือนกันละ ว, วะวันนี้เราจะยกทหารเข้าเพ้่มค่ายสบาเจียวโฉผู้กองจัดใจฐานอยู่รักษาค่ายแต่ห้าร้อยนอกจากนั้นเตรียมตัวไร้พรับ อ, อันการครั้งเนี่ยเห็นจะไม่เป็นไรนะเพราะเตียวครับนะเ น, นี่ยเตรียมทีมือเราอยู่ เหืือครั้งที่ยกมารบกันนะเขาเป็นกุสังเราฆ่าแฮรหโวเอียนตายเตียวคับก่อขยาดในพื้เราอยู่แล้วเห็นว่าเตียวคับคงไม่บางอาจที่จะยกทหารมาต่อสู้ด้วยเราเราจะยกทหารไปทางเชิงเขาปักสังและเ ข, าเข้าปีไา่เตียวคับจัดตัวเตียวคับให้ได้ก่อนท่านจนยกทหารก็ปล้นไข่ายจะมีเจจโฉ เตียวคีก็วางแผนของตนอย่างนี้อะฮองตรงวางแผนของตนดังนีกับเตียวคีแบ่งงานมอบหมายหน้าที่กระดชนี้อ่าเตียวคีนี่นก็คุมทหารสามร้อยขึ้นไปบนเขาปักสันทหารที่จโจโฉให้รักษาเสบียงน้อยตัวนะครั้งหนึเตียวคียกขึ้นมาทหารเรานั้นก็ทิ้งเสบียงเสีย หนีไปหาเตียวครับนักข่ายฮันซีขางฝ่ายเตียวครับรู้ดังนั้นข้าศึกมาปล้นข่ายาทำลายสมิญอย่างนี้เตียวครับก็คุณหันยกออกมาจากข่ายก็มาพบกับ้องตงก็ได้เข้ารบพุ่งกันเป็นสามมาดเลยทีเดียวฝ่ายเจโฉพระเจ้ า, าะจะีอ๋องครั้นรู้ดังนั้น ขณะนี้ขาดศึกกำลัร ะ, ร, ระท่ากันแล้วเนี่ยอยู่ในยึุทธภพมันมิปลายกันเท่าไหร่นะอกโจโฉก็ซีงหลงซึ่งแต่งป้ายเป็นกองหน้าพร้อมกับมุ่งเพ่งคุณทหารยกไปช่วยเตียวครำที่ข้างฝ่ายเตียวคีทหารของฮองจงขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเห็นเมบียงอาั้นเป็นอันมากากรอบมัวให้ทหารไปเที่ยวหาฟืนหาเชือกปนคือจะเผาทํำลายสเสบียงนะอ่ะก็พอดีสวา่าง แลลงมาเห็นหองตรงรบพุ่งไปพันกันอยู่กับเปียวครับเป็นฝา ม, มากเปียวขี่บนที่สูนี่ก็แลเห็นต่อไปเห็นทหารยกออกมาจากค่ายโจโถอีกเป็นอันมากทหารเหล่านั้ น, นผู้ตรงจะไปบดขยี้หองตรงคือไปช่วยเปียวครับอะ่ะเปียวขี่ก็ยกฐันลงจากภูเขาจะหนีกลับมาคายพอมาถึงเชิญเขาก็พบกับสีหลงบุนเพ่ง ที่หลวงดุนเพ่งติโจโฉให้นำทหารมาช่วยเตียวครับมาถึงเข้าซีเหลวงดุนเพ่งก็ขับทหารเข้าล้อมเตียวทีนและล้อมฮองตงเข้าไว้ณที่อันเดียวกันเป็นอันว่าฮองตงไปตกในที่ล้อมเขาไปแล้วเตียวทีขึ้นไปจะทำลายสเบียงก็ยังไม่ทันได้ทำราย นี่กลับมาก่อนอทีนี้ฝ่ายจูโล่งละจูโล่งคือเริ่มการรบนี่ก็เริ่มมาแต่กล้งคืนจนเช้าจนสายจนเที่ยงฝ่ายจูโล่งคอยห้องตรงแต่ถักแต่เช้าจนเที่ยงก็ไม่ได้เห็นหองตรงกลับมาจูโล่งก็กิดทำดังวาจาที่ตนว่าไว้ละคือสั่งเตียวเอกนายถามรองว่าบับนี้ ฮอเติงยกไปทําการก็พ้นกําหนดแล้วเราจะยกทันหมุนก็ไปตามสัญญาท่านอยู่รักษาค่ายภายหลังแม้โจโฉให้ฐานยกมาตีก็ยากได้ออกสู้รบให้ฐานใช้เก่าฐันยินป้องกันรักษาค่ายไว้อย่าให้เป็นอันตรายเท่านั้นอจู่รุ่งสั่งการแต่ฐานของเจมิจจะแกล้งเลยจู่รุ่งสั่งเสร็จแล้ว ขึ้นมาถึงทวนพาฐานสามพันยกตามหองตงไปถึงตำบดนฮันซุยพ็เหนบัวเรียกคุณหามานมาสกับพังอยู่บัวเลียบทู่นี้ได้รู้เลยว่าเพชรฆาตพยายมากำลังมาประจันต่อหน้าแล้วเนี่ยบัวเรียกไม่ได้รู้เลยพวกม้ารำบาปอเข้าไปรบกับจูนงจูนงนั้นนิต้องเสียเวลารำทวน จูน้องก็อาทวนแทงถูกด้วยเลียกตอกม้าตายอือก็งาดีคือนี่ก็ลํบาบากปอเข้ามาจูนลองเอาทวนแทงเพื่อเดียวด้วยเลียกตอกม้าตายเมื่อตัวเป็นนายตอกมาตายแต่นี้แล้วทหารทั้งวงก็แตกหนีถอยไปเลยจูน้องก็ยกกำลังเข้าไปถึงที่ล้อมมีทหารคนหนึงชื่อเจ้าเป็ยยกมาสกัดหน้าม า, ม า, มาจูน้องวัด มีบัวเรียกคนหนึ่งเดานะเจ้าเป็นยกมาสกัดมามาจูรุ่งไว้จูรุ่งเห็นสําคัญว่าเป็นทหารของตัวนึกว่าเป็นทหารของตัวก็ร้องถามว่าทหารเราอยู่ไหนเล่าเจ้าเป็นก็ตอบทีเดียวว่าทหารท่า น, นเราฆ่าสิ้นแล้วจูรุ่งเลยฟันเลมันโกรธขับม้ารำโทนก็ไปแทงเจ้าเป็นตกม้าตายไปอีกคนนึงเป็นคนที่สอง แล้วก็ขับไล้ข้าฐานเจ่าเป็น8หนีกระจายกระจายไปจากนั้นจีนก็ควบมาตะรูไปข้างที่เหนือก็พอดีเตียวขับซีหลงสองนายเนี่ยความจริงก็พร้อมจะบุญเพ่อีกด้วยแหละคุ้มฐานล้อมหองตรงเตียวขีเข้าไว้พวกฐานที่อยู่ในค่ายที่ถูกล้อมมันก็รบพุ่งป้องกั น, กนตัวเป็นสามากและก็ช้ามานแล้วตางก็ อ่อนร้าไปตำตาลกันถูกร้อมย่ำแย่ yeah, อยู่แล้วเนี่ยจูลโล่เมื่อไปถึงก็ขับม้าเข้าไปใกล้ร้องตระหวาดด้วยเสียงอันดังและก็ลังทวนีีเข้าไปในราวทหารข้าศึกัามพวงไปแตซ้ายฟังให้ดีตัหลบมาขวาดังหนึ่งว่าหามีคนไหม <c oughs> คือพฤติกรรมของจูลโล่งนี่เขาเป็นอย่างนี้เขามีข้อความไว้สั้นๆเท่านี้ ไปแต่ซ้ายตลบมาขวาดังหนึ่งว่าหามีคนไหมขึ้จุ่ล่งตะรีรบดยเพลงทวนอันุบเร็วจะากาัดชะกันราฐานค่าสุดทั้งปวงจำนวนนั้นต้องนับผิดผิดเป็นไพ่ราพลเร็วเนี่ยจะจบชีวิตราบเรียกลงไปตะรยซ้ายตะรยขวานิมันไม่มีคนอยู่อย่างนั้นแหละ ฝ่ายเปียวคับเห็นจูร่งเนี่ยเตียวคับเนี่ยรู้จักจูร่งดีอยู่รู้ฝีดูจูร่งจะกันนักเห็นจูร่งมีกาลังยิ่งนะก็ไม่อาจจะออกสู้รบด้วยจูร่งจูร่ก็ตริเวดวงล้อมเข้าไปช่วยแก้ห้องตรงกลับออกมาได้แล้วก็จงพากันกลับไปไข่ฝ่ายโจโฉคือพระเจ้าวีอ๋อง กองทัพกองบัญชาการอยู่บนที่สูงแลไปเห็นเฉลยก็ตกใจทีเดียวก็ถึงกับถามฐานทั้งปวงอ่ะคือว่าเห็นเจ้าทหารคนหนึ่งเกาะขาวมากขาวตาลุรบอยู่กับในมูราฐานของตนตั้งมากไม้รับซ้ายระบขวาอยู่อย่างนั้นน่ะและก็แหวกวงรอมก็ไปช่วยทหารพวกมันออกไปได้เนี่ยมันใครกันเจ้าโฉต้นฐานฐานทั้งปวงขึ้นทีเดียวว่าคนนั้น่มันคือผู้ใด ทหารทั้งปวงก็บอกว่าเป็นชาวเป็นชาวบ้านตำบนเสี่ย ง, งสารชื่อจูเลนนี่คือรายงานจากทหารของตนโจโฉได้ฟังดังนั้นก็นึกได้เลยทีเดียวว่าแต่ครั้งก่อนเรายกทหารมา80 0สบมืนไปที่เมืองล็อกเอียงนะัดสะพานเตียงปันโป ทุ่มเต็อย่างมีฐานที่กล้าแข็งคนหนึ่งคือผู้นี้เองจูเล่ชาวเซียนฝันผู้นี้นี่จูเล่ลุกขึ้นมาได้ทันทีเลยทีเดียวและคําสั่งที่ออกจากพระโอษของพระเจ้ามี อ, องค์คือโจโฉสร้างแก่ฐานทัพปวงขึ้นแบบเพื่อจะรบกับจูเล่งนั้น ่าได้ประมาทเป็นอันขาดทีเดียวายจูนม่มพาหองตรงและฐานทั้งปวงมาตามทางคือช่วยเหลือไว้ได้แล้วก็พากันมาตามทางทหานทั้งปวงที่มาด้วยเนี่ยก็ชี้บอกว่า ข้างทิศใต้ลุงทหารโจั่วล้อมเปียวขี่พวกเราไว้จูรงก็ได้ฟังดังนั้นก็รู้ฉะนั้นมีความห่วงยยใยไม่สมัครพรรคพวกเพื่อนทหารร่วมกันแล้วนี่มีอยู่น้ําใจจูร่งเป็นที่สุดได้ฟังเท่านั้นละไม่กลับค่ายเลยให้เอาทงเขียนเป็นอักษรสี่ตัวว่าเซียงสังจูล่งมีเขียนชื่อขึ้นป้ายประกาศ ให้ทหารถือนำหน้ามีวิธีการเรียกว่าทำให้ขาดสุดระยอท้อใจทำลายขวัญกันให้เป็นที่สำคัญด้วยชื่อเสียงสารจูร่งนี่แหละให้ทหารถือธงนำหน้าไปเลยจูร่งมาแล้วถ้าั้นจูโุโฉที่ล้อมเตียวคีอยู่นั้นแลเห็นธงเห็นอักษรสี่ตัวปรากฏเชะนั้นก็รู้แกงก็บอกกัน ต, ต่อไปทีเดียวว่า ครับที่ยกมานั้นคือจูเ ล, ล่ที่หิลิลิกล้าแข็งนะเห็นจะสู้นี้ได้ต่างคนต่างก็ถอยหนีไป ตรงเตียวขีแหวกมันว้อมไปได้เนี่ยก็ก็ก็รักในน้ำใจรักในฝีมือนะ่ะรักมันอยู่แต่มันก็เป็นสตูที่ต้องโกรธ hmm. เพราะมื่อชิง้องตรงเตียวขีวไปได้เนี่ยโจโฉก็โกรธนักทีเดียวขับทหารซ้ายขวาของตนเนี่ยคือฐานเรียกหรราวขุนพมพุ้ธิพัก์ของตัวโจโฉเนี่ยนายานซ้ายขวาพกมีฝิ้ือต้องที่ให้ ไล่ตามจูร่งไปจูร่งก็พาห้อง ต, ตงเตียวขยีกลับมาไขา่ขั้นเตียวเอ็กซ์ที่อยู่รักษาไขา่ก็ออกมารับจูรงแต่แลเห็นไปขั้นหลังจูรง่งเงืนสิผมขีตรบมาจูร่งก็รู้ว่าทหารโจโฉตามมาด้วยเตียวเอ็กซ์ก็บอกแกจูร่งว่าบัดนี้ทหารโจโฉติดตามใกล้มาแล้วจนเร่งปิดประตูไข่ขึ้นขอรบการเรียมให้มั่นคงจูรง่รงเขาจีว่า อย่าปิดประตค่ายเลยจะไม่รู้เมื่อครั้งเรารบที่เมืองลบเอียงนั้นเราขีมา่ม้าถือทวมีูแต่ผู้เดียวทหารโจโฉถึง8ปดสิบมืนดูเหมือ น, นยากแพ้แบบนี้เรามีทั้งนายทั้ง้พ่พ ล, ลเหตุใดจะกตัวข่าซื้ออีกเราจชูนลงเรียเลือนักสู้ไม่เคยวันไห ว, วต่อศัตรูเลยนี่ว่าหน้าไหน จู่เรื่องว่าค่นั้นแล้วก็ลดทนม้าค่ายรู้สหมมาล่อและกรองพอนวิสิตีให้ฐานถือเกาทันไปซุ่มอยู่ในคูนอกค่ายส่วนตัวตูวเรื่องนั้ น, น, นขี่ม้าถือทวนออกมายืนอยู่หน้าค่ายแต่พูดเดียวและ เตียวครับสีหลงนี่ไงมือที่โจโฉส่งมาเนี่ยสีหลงนี่ปิดมือเป็นหนึ่งเตียวครับมืนกันมือแต่มาตอนหลังหรอกที่เตียวครับพลาดแ้อยู่แต่ปิดมืเตียวครับและพลังมันนี่เดีลดด้อยไปอย่างใดหรอกเปียวครับซี่หลงโยกฐันติดตามก็ทช้ำชิดมาจนจะถึงค่ายจูรุ่งก็พอดีเป็วลาใกล้คทำแลดูไปที่ค่ายทูล ทงประจําค่ายก็ไม่เห็นเสียงกลองเสียงมารอก็เงียบสงบมีจูเล่ต์ช้วิธีการให้ขาสุดเฉิ่งเฉยเป็นการทลายกำลังใจกันอย่างหนักละที่สําคัญที่สุดที่สีเหลืองเตียวคับเห็นเหมือนกันต่างคนต่างเห็นกันมันสําคัญเป็นอันตรจังคือว่ากระตูค่ายมันก็เปิดอยู่ เหลนจู่น้องขี่ม้าถึงทวนยืนอยู่หน้าค่ายแต่ผู้เดียวเนี่ยมันเป็นไปได้กระไรชนิมันคนเดียวตัวคนเดียวม้าตัวเดียวทวนคู่มือเล่นเดียวเนี่ยมันยืนทางงาดอยู่กับกองทัพที่แว่นมาดี่หมายที่จะแก้แค้นแค่เนี่ยเดียวคับซีหลงเห็นดังนี้เข้ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์ประหลาดใจเป็นที่สุดเลย ไม่หยุดก็ต้องหยุดไม่รั้งก็ต้องรัง้งไม่รอก็ต้องรอต้นรั้งรออยู่มิอาจจะรุกเข้าไปได้เตียวครับสีหลือหยุดเลยทีเดียวจต้องทาอย่างนี้เขาหยุดเลยใครจะทำเช่นมันผู้นี้ได้ถ้าไม่มีบา ร, รมีในความสามารถเดชเชิงเป็นเพชรขาดบนหลังมากขาวมาให้เป็นที่เปิดจักกันมาแล้วนะ สองคนนี้หยุดพร้อมทหารที่ติดตามมาทั้งสิ้นจนกระทั่งกองทัพโจโฉยกตามมาถันพ้ายทหารทั้งปวงโหร้องรุกเข้าไปก็เห็นโจโงน่ะยืนมาบิ่งเฉยอยู่ไม่ได้กระเดื่องกระเทือ น, นแต่อย่างใดเลยทหารทั้งปวงของเจมิงเต๋อเจ้าวีอ๋องนั้นต้องประหลาดใจไปทั้งกองทัพเลยทหารทั้งปวงกลับตัวจะถอยกลับจะถอยออกมา ไม่กล้าเข้าไปทั้งที่มันดีมากอยู่แต่ผู้เดียวอาวุธคือทวนในมือเล่นเดียวเท่านั้นเองจูลร่ยืนพังงาดอยู่เชนั้นทหารเข้ามาใกล้ข้าศึกเข้ามาใกล้จนบัดนี้ข้าศึกวันไหวถอนตัวจะถอยกลับจูโรกแกล้งทวนเป็นสำคัญเป็นสนัญญาณทหารที่ซุ่มอยู่ถือเกาทาันซุ่มอยู่อย่างนั้น ให้เกาทันยิงกละห น, น่ำดาเข้ามาอันหนักหนาทีเดียวและก็เป็นเวลาพบรอบข้าลงพอดีโจโฉก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าจู่นั่นจะสุ่มผ่านเพ่มมากน้อยเท่าใดจะมีกองเกาทันสุ่มอยู่ที่ไหนอย่างไรกองมากองรุกอีกมากน้อยเพียงไหนโจโฉก็ไม่กลา้าในรูกก็กลับถอยมาออกไปก็ได้ยินเสียงโหอรองติดตามมา บางก็โตกใจหนีเหยียบกันล้ปตายด้วยความหวาดกลัวหนีลงไปในแม่น้าฮันสยุยจมมาตายใช้ก็เป็นอัมมาหนีด้วยอัมมาสิงหันมากของเตี้ยจูนงอยู่แต่ผู้เดียวเกือาทำได้แค่นี้แล้วจูนงฮองตงเดลกีก็าพาฐานะบูติดตามมาก็หมายใจจะไปยังทุ่งฮันสยุย ก็ข้ามในน้ําหันซุยไปปลาผ่มามนจนน้ำไปแไปก็ต้มาดมายค่อยไปตั้งทับรักษาสเบียงอยู่นะก็ได้ยินข่าวมีมาว่าเาหล่าฮองนึ่งตัดคุมหานสองเดืยกมาทางขาบีซองสังด้เผาสเบียงซะแล้วสเบียงที่ผู้หันซุยถูกเผาซะแล้วโจโฉก็เสียใจนะก็จึงทิ้งตำบลเขาตักสัง อผู้ อ, อยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นพี่ที่ไว้เมียญด้วยจงต้องทิ้งพี่นั่งอีกตำบลหนึ่งด้วยแล้วคนนี้กลับไปเมืองลำเต่งโจโฉกลับไปลำเต่งเตียวครับศิลโง่ซึ่งตั้งข่าอยู่นะั่ทุ่งหันซี น, นก็เห็นว่าตนจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็พลอยยกหนีตามโจโฉไปด้วย จูน่งหองตรงซึงติดตามมา น, นั้นก็มีชัยชนะดโโชเดีย๋ยกองทัพโจโฉหนีกลับเดี๋ยวขับซีหลงก็หนีตามนี้ไปด้วยจูน่งหองตรงก็เป็นผู้มีชัยชนะโบไม่ต้องสู้รบก็ได้เครื่องาตรา ว, าวุธสยิงต่ดางๆนำมาที่โจโฉเดี๋ยวขับซีหลงทิ้งไว้หนักเป็นอันมากทีเดียวแล้วก็ออกข่าวราชการทั้งสิ้นนี้แย่งไปให้แก่เล่าปีได้ทราบ ลุ้งขุ่นบิ่งเด็กชายมาฐานเท่าเด็กการใช้วาจายุเห็นลูกมาณในะ น, น้ำใจมากระทําการแต่แล้วก็เกรงขึนพร้อมส่งร้ายคนร้า ย, ายบ้านหลายทางมาช่วยเหลือการกันจนเป็นผลสำเร็จผลสำเร็จทั้งสี่ น, นี้รายงานเให้เราปีได้แจ้งเราปีแจ้งดังนั้นว่าจุดลงของตัวมีเท่ากันแล้วเนี่ย ก็กลับเรือกองทัพกับคนได้ยยกมาโดยด่วนมาถึงทุ่งฮันซูก็ะจะให้ทหารให้ให้หาฐานของจูร่งมาถามว่าซึ่งจูรง่งทําการสงครามด้วยโจโฉครั้งเนี้ได้ชชยชนะประการใดอย่างไรอ่ะทหารของจูร่งก็เล่าให้แกรับปีปันตามที่จูรง่งกระทาการมาแต่ต้นจนปายทุกประการนี่แหละทําประการใดอย่างไรรบอาจทหารอย่างไร อรุณีก็ไปในมูค่าสุดช่วยลองตรงมาอย่างไรตรงห่างในที่สุดยืนกลางงานดีมากข่ายโจโฉถอยพับนี้กลับไปได้อย่างไรเนี่ยเอาเปล่าปีได้แยงความละเอียดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้ก็ยินดีนะก็พิจารณาไปที่ด้านหลังเขาแข่ เ, เป็นทางล้อกแต่ปากเปลี่ยวก็จิงว่าใจคงเบ่งว่าความคิดของจูล่งทาสงครามกับโจโฉครั้งเนี้ย ร่วเป็นวัวหางทั้งสิ้นนี่แล้วก็จริงเรียกหาจูร่งและบรรดาฐานพระบรมพร้อมกันแล้วก็พูกัจจุร่งวาท่านมีความชอบในสงครามครั้งนี้เราจะตั้งให้ท่านใหเรียกท่านว่ า, านายทหารเสือนี่เราปลี่แต่งตั้งจูร่งเป็นฐานเสือแล้วก็แต่งโตทั้ง ดูราอาหารต่างๆมานนวิ้งกันด้วยความยินดีครั้งเวลายนืนมีฐานคนเข้ามาแจ้งของ้อราชการกรรอกปีว่าบักนี้โจโฉจะยกทัพใหญ่มาตามทางเขาส ก, กัดทางน้อยอันเป็นทางน้อยเพื่อจะมารกชิงเอาทุ่งฮันซุยคืนไปดัดกรอกปีได้แจ้งแม่ก็หัวเราะแลวก็จริงว่าซึ่งโจโชจะยกมา ผนจะไม่มีทางชนะเป็นแน่แท้เมื่อเราตั้งมั่นดูแล้วบัดนี้จะให้ทหารไปตั้งค่ายรับอยู่ข้างทิศตะวันตกชายทุ่งฮันซุยให้จงมั่นคงไว้ไวยเจ้าขอ ข้าให้ซีหงเป็นทัพมากจะยกมาอองเป๋งนี่เป็นขุ้ทหารใหม่แล้วนะอองเป๋งชื่อเสียงยังไม่ปรากฏอองเป๋งเนี่ยเป็นเจ้าพนัก ง, งานรักษาประตูข่ายได้เข้ามาขมับจโจโฉคือพระเจ้าเด็กเคยเรียนดูรู้ที่ตั้งข่ายรู้ว่าจะมีชัยชนะหรือจะพ่ายแพ้ จะขออาสาไปช่วยทำราชการกับสิหลงตามสติปัญญาเพื่อเอาชัยชนะให้จงได้นี่ยรูชัยภูมิการตั้งข่ายโตโจก็มีความยินดีต่างองเ็งจากพนักงานรุกษาประตูตตนี่ให้เป็นทับมากทับมากฝ่ายซ้ายช่วยราชการสิหลงละ่ะครัจัดแกงเสศษ ก็ยกมายังเขาเตงอุนสังท้างทิดเหนือสีเหลง อ, องเตงนายทับซ้ายขวาต็วุมานยกเนื้อมาถึงทุ่งหันซุยสีเหลืองก็ปรึกษากับอองเตงเลย ว, ว่าเราจะข้ามมามไปตั้งค่ายอยู่ข้างนู้นนี่จะเป็นประการใดองเตงก็จริงว่าถ้าจะข้ามมามไปอ่ะเรื่อว่ามิตรพันจะถึงที่ชุกว่าข้าศึกรู้ ยกมาตีในขณะนั้นเราจะผ่อนผอมรประการได้อืคือถ้าหมวกถ่ามนมาทำกันดีอยู่ในน้นํานี่มันเสียทีเขาแม่ทําอะไรไม่ได้ขาดศิยเดินอยู่ฝั่งฝั่งแค่นั้นเองละ่ะจะเขาทำระดมยิงหรือพุ่งหอกพุ่งแรนอะไรมาหนิจะล้มตายกันหมดแบบสิอื่เอาเป็นว่าเนี่ยจะทํำยังไงจะผอนผอมอยังไงสีหลวงก็จึงตอบว่าเมื่อครั้งหั่นสิง คำสึดเดือวพระเจ้าชอบปลาอ่องนั้นกอ ย, ยกไพ้พลไปตั้งอยู่ริมน้าเสียทีแกฆ่าสึกอีกก็ยังเอาไทยชนะได้อะครั้งนี้เราจะยกไปตั้งค่ายรับริมน้านั้นะจะกลัวแพ้โดเหตุอันใดสเหลงก็เก่งประวัติศาสต์เก่งตำราเหมือนกันฮึม <c oughs> องเป็นด้ตอนนี้ก็จริงว่าครั้งหัน่นศีนั้นหัน่นศีล เห็นว่าอมตาหารของพระเจ้าชอปลา อ, องนะอกปรอยกำลังอยู่แล้วจึงอาจสามารถไป ต, ตั้งค่ายรับริมแมําได้แต่ครั้งนี้ท่านยังรู้ว่ากําลังจู่ลมกับฮองตงนั่นเป็นประการใดท่านจึงจะอาจสามารถไป ต, ตั้งค่ายบุตรดังหั่นสินเคยกระทำแต่อดีตนะข้าพเจ้าไม่ได้เห็นด้วยเลยสิเหลือก็จริว่า ซึ้งไม่เห็นด้วยนั้นก็ตามใจเถอะเราจนทหานตามไปตั้งอยู่ริมฝั่งน้ําข้างที่ตัวนออกนี้ให้มั่นคงอย่าให้มีอันตรายได้ก็แล้วกันส่วนเราจะนํากําลังทหารข้ามไปตั้งค่าอยู่ น, น้ำฟ้าถนนมีสีหลงไม่เชื่ออองเป่งสีหลงในฐานะพลเมืองทำสะพานเรือข้ามแม่น้ําหันซุยไปตั้งค่ายตามที่ว่ากันไว้ ฝ่ายฮองโต้จูเล่งสองคนได้พากันเข้าไปหาเล่าปีและก็พูดว่าเข้าไปเจอทั้งสองจะขออาสาคุมหานออกไปรบกับทัพโจโฉเอาชัยชนะในครั้งนี้ให้จงได้เหล่าปีก็เห็นด้วยฮองโต้จูเล่งสองนายนี่ก็ยกไปทีเดียวครั้งไปถึงกลางทาง หองตรงก็ว่าแกจูโล่งว่าสิอุหลงทหารโจโฉผู้นี้มีกำลังกล้าหาญนะเราอย่าเพิ่งจู่โจมเข้าปีก่อนเลยคอยดูกําลังฝ่ายเขาก่อนเห็นว่าอีกรรยได้ท่วงทีแล้วทิงเจ้าฐานเข้าปีเกินนักก็เห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายหองตรงว่าดังนี้จูโล่งก็เห็นด้วยมีเห็นด้วยกันนี่สิคอยเชื่ชัวร์ถ้าเห็นไม่ไม่เห็นด้วยกันนี่มัน มันย่ำแย่อยู่เอาจูร่งเห็นด้วยละต่างคนต่างก็ไปตั้งค่ายกันตามที่ว่าละคอยก่อนครั้งนูเชา้าซีหลงนี่ก็ยกฐานมาจะรบกับจูร่งแต่ก็คอยอยู่คอยจนเย็นก็ไม่เห็นจูร่งยกฐานออกมาสู้ด้วยซีหลงนี่ก็ให้ทหารกองหน้ายิงเกาทันจนนาำไปหน้าค่ายอะห้องตรงเห็นมันก็บอกเก่งจูร่งวะ ถ้าสุดยินเก่าทันมาบัดนี้ก็เห็นว่าทหารเขาที่มาน่นะกําลังเรรวนจนจะถอยแล้วถ้าเราออกตีตอนนี้เห็นจะได้ทีไนะหมห้องตรงจู่ร่องสอมนายพูดกันดีเไม่ืันขาดคํำเลยทหารที่ให้ไปสอบเนี่ก็กลับมารายงานทีเดียวว่าบัดนี้ทัพหน้าของขีเหลวงถอยแล้วห้องตรไก็ยืงดีนะกระคุมทหานออกไปพร้อมกันพร้อมอกันกับจู่ร่องนี่แหละ แล้วค่อยไปมาลอกห้องกองโคร้องสนา่วันไหวขมขวัญข้ขขาตัวก็ไปเลยทีเดียวแล้วก็ยกกำลังออกไปกันมาหลังซีหลงซีหลงกําลังถอยแล้วนี่ซีเหลงก็แตกหนีไปที่ทิ้งแม่น้ํำริมผึ่งฮันซูียะแต่ทหารนั้นเหยียดกันตายที่เป็นอันมากส่วนตัวซี่หลงนั้นมีกําลังมากอยู่ก็หนีไปค่ายอองเป็งได้ซีเหลงหนีอรอด แต่ฐานทั้นเปรียกย่ำเป็นปลายมากมายทีเดียวที่หลงหนีรอดไปได้แล้วก็จึงว่าแกอ๋องเต็งว่าเจ้าอ่ะเห็นทหารเราเพิงคว้าแก่ข้าสิทธิ์เหตุใดเจ้าไม่ยกไปช่วย